ท่านแสดงให้รู้จักตัณหาให้รู้จักเหตุเกิดแห่งตัณหาก็คือเวทนาให้รู้จักความดับตัณหาก็คือดับเวทนาให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาก็คือมัจเม่งองแปดท่านแสดงให้รู้จักผัทธะ ท, ท่านแสดงให้รู้จักเวทนาท่านแสดงให้รู้จักเหตุเกิดเวทนาก็คือผัสสะท่านแสดงให้รู้จักความดับเวทนาก็คือดับผัสสะท่านแสดงให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาก็คือมรรคม่งอกแตกท่านแสดงให้รู้จักผัสสะให้รู้จัก ความเกิดเหตุเกิดแห่งผัสสะก็คืออาจตนะทั้งหกท่านแสดงให้รู้จักความดับผัสสะก็คือดับอาจตนะทั้งหกท่านแสดงให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะก็คือมัชมีองค์แปท่านแสดงให้รู้จัก อาจตนาทั้งหให้รู้จักเหตุเกิดแห่งอาจตนะทั้งหก็คือนามารุปให้รู้จักความดับแห่งอาัตนะทั้งหก็คือดับนามารุปให้รู้จักทางให้ถึงความดับอาจตนาทั้งห ก็คือมักมีองค์แปดการแสดงให้รู้จักนามรูปให้รู้จักเหตุเกิดนามรูปก็คือวิญญาณให้รู้จักความดับนามรูปก็คือดับวิญญาณให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูปก็คือมักมีองค์แปด ท่านแสดงให้รู้จักวิญญาณให้รู้จักเหตุเกิดวิญญาณก็คือสังขารให้รู้จักความดับวิญญาณก็คือดับสังขารให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณก็คือมัสมีองค์8ท่านแสดงให้รู้จักสังขารให้รู้จักเหตุเกิดสังขาร ก็คืออวิชชาให้รู้จักความดับสังขารก็คือดับอวิชชาให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารก็คือมัคมีองคป8ท่านแสดงให้รู้จักอวิชชาท่านแสดงให้รู้จักเหตุเกิดอวิชชาก็คืออาสวะ ท่านแสดงให้รู้จักความดับอวิชชาก็คือดับอาสวะท่านแสดงให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาก็คือมั่งมีองแปดท่านแสดงให้รู้จักอาสวะให้รู้จักเหตุเกิดอาสวะก็คืออวิชชาัว ก, กลับย้อนมาอาวิชชาอีก ให้รู้จักความดับอาสวะก็คือดับอวิชชาให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะก็คือมักมีองค์แปดก็เป็นอันว่ายุติลงแค่อวิชชาอาสวะหรือว่าอาสวะอวิชชาอันนับว่าเป็นต้นเงื่อน ที่ได้ทรงคนพบได้จัดจะรู้และได้ทรงแสดงมาได้ทรงนำมาแสดงชี้แจงจำแนกและก็เป็นอดิยศัสตร์ไปทุกข้อ ดังจะพึนเข็นได้ว่าตามที่ได้สรุปมานี้แต่และข้อก็เป็นสี่เป็นสี่ทางนั้นคือเป็นอริยสัจสี่ไปทุกข้อและทางปฏิบัติให้ถึงความดับของทุกข้อนั้นก็ยืนตัวคือมักมีองค์8 อันได้แก่สมมธิทิความเห็นชอบก็คือเห็นในอริยสัจทั้งสี่สมมาสังกปะความดำริชอบก็คือดำริในอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละแต่ท่านแสดง เป็นความดำริออกดำริที่ไม่ปองร้ายดำริที่ไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบได้มีพระพุทธทาธาิบายในอริยสัจสิในในมรรคมีองค์แปดนี้โดยตั้งข้อส ม, มาธิินำ คือเมื่อมีเห็นเมื่อมีความเห็นชอบ <c oughs> นำก็ย่อมมีความดาริชอบเมื่อมีความดำริชอบก็ย่อมมีวาจาชอบเมื่อมีวาจาชอบก็ย่อมมีการงานชอบเมื่อมีการงานชอบก็ย่อมมีการเลี้ยงชีวิตชอบ เมื่อมีการเลี้ยงชีวิตชอบก็ยัมีความเพียรชอบเมื่อมีความเพียรชอบก็ยังมีสติชอบเมื่อมีสติชอบก็ยังมีสมาธิชอบและได้มีพระพุทธาธิบายต่อไปอีกว่าเมื่อมีสมาธิชอบก็ยังมีสัมมาญัณนะคือความอย่างรู้ชอบ เมื่อมีความอย่างรู้ชอบก็ยมังมีสัมมาวิมุตติคือพ้นชอบดังนี้มักมีองค์แปดนี้ย่อมเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติเพื่อดับแห่งทุกข์ข้อและ เมื่อพิจารณาดูตามพระเถรอาธิบายที่ท่านแจกข้อธรรมในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นจับแต่ข้อชรามาณะไปจนถึงอวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชา ก็แยกเป็นอริยสัจ4ไปทุกข้อดังที่กล่าวและก็กล่าวได้ว่าก็แบ่งออกเป็นสายเกิดและแบ่งออกเป็นสายดับ หากจะพูดรูปรัดเข้ามาว่าเป็นสายเกิดแห่งอะไรก็กล่าวได้ว่าเป็นสายเกิดแห่งทุกข์เพราะว่าในสายเกิดนั่นก็มาสุดลงที่ชรามรณะ แก่ตายและโสกปริเทวะความโศกความรนจวนคร่ำครวญใจเป็นต้นรวมเข้าก็คือทุกทุกอย่างต้นทางของสายเกิดก็ออวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาก็ มาสุดลงที่กองทุกข์ทั้งหมดมีชรามารณะโสกะปริเทวะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงสรุปเข้าว่าเป็นสายเกิดทุกข์ส่วนสายดับนั้นกล่าวอย่างรวบรัดเข้ามาว่าดับอะไรก็กล่าวได้ว่าดับทุกข์ เพราะว่าปลายทางก็คือดับทุกจะรามรณะโศกปริเทวะเป็นตน้นดับไปหมดเนื่องจากดับมาจากต้นทางคืออวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาดับทุกอย่างก็ดับมาตลอดสายจนถึง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 อาสวะอวิชชาหรืออวิชชาอาสวะอาสวะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอาจตนะหกพัทธะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติ รามารณะโสกปริเทวทั้งต้นหรือโสกะปริเทวะเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นทุกข์สัจจะสภาพจริงคือทุกข์ทั้งหมดเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคือต้องเกิดดับคือเกิดได้ดับได้สิ่งที่เกิดดับได้นี่รวมเข้าในคําว่าทุกข์ทั้งหมดเพราะว่าตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ทุกข์ยังไม่ได้หมายความเฉพาะทุกขเวทนาเท่านั้นจึงได้มีแสดงถึงคําว่าทุกข์เอาไว้ มาทุกข์ทุกขะทุกโดยความเป็นทุกข์สังขทุกข์คือสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลายวิป ร, ปรินามาทุกทุกคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีลักษณะ เป็นทุกโดยเป็นทุกดังที่เรียกกันว่าทุกทุๆและสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดและสิ่งที่ต้องแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดรวมเข้าในคำว่าทุกนี้ทั้งนั้น แม้ตัวเวทนาเองสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะว่าต oh ้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดดับทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเพราะเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดดับอุเบกขาเวทนาก็เป็นทุกขเพราะเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดดับเพราะฉะนั้น การเห็นทุกนั้นจึงไม่ใช่หมายความว่าเห็นในขณะที่มีทุกขเวทนาเช่นในเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือในเวลาที่ต้องอยู่ในที่ร้อนไปหนาวไปในเวลาที่ต้องมีทุกขเวทนาต่างๆจากอาพาธป่วยไข้า <c oughs> การเห็นทุกดังนี้ ทุกุกคนเมื่อประสบทุกขเวทนาก็ต้องเห็นทางนั้นคือต้องเสวยทุกอยู่ด้วยกันทางนั้นและก็ต้องเห็นทุกาทางนั้นแต่ว่าเมื่อแหงจมอยู่ในกองทุกยังต้องตกอยู่ในทุกพรากิจิตออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เห็นหนกันนี่ผู้เห็นจึงไม่ชื่อว่าเห็นทุกเห็นทุกนั้น จะต้องเห็นว่าแม้ทุกขเวทนาที่กําลังประสบอยู่ก็เป็นทุกข์คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งต้องเกิดต้องดับแม้ในเวลาที่ประสบสุ ข, ขเวทนาต่างๆมีความสุขสบายต่างๆก็ลองเห็นว่าสุขที่กําลังประสบอยู่นั้นเป็นตรวจทุกข คือเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับแม้ในขณะที่กำลังประสบหรือเสวยอุเบกขาเวทนาเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ต้องรู้จักว่านั่นเป็นเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งก็ต้องเป็นตัวทุกข์คือเป็นสังขารสิ่งประสมปรงแต่งต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจะต้องเห็นดังนี้จึงจะชื่อว่าเห็นทุกข์ เห็นทุกข์ในเวทนาเห็นทุกข์ในรูปเห็นทุกข์ในเวทนาเห็นทุกข์ในสัญญาเห็นทุกข์ในสังขารเห็นทุกข์ในวิญญาตทั้งหมดว่าเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดต้องดับชรามาณะโสกบุริเทวะเป็นต้นก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวชาติก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวพบ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวอุปาทานก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวกันหาก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวเวทนาก็ต้องเป็นตัวทุกข์ลัทะก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวอารจนาทั้งหกก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวนามารูปก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าววิญญาณก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว สังขารก็ต้องเป็นทุกข์ุกดังกล่าวแม้อวิชชาอาสวะก็ต้องเป็นทุกข์ปวทุกข์ดังกล่าวเพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับคือดับได้ดังนี้จึงจะชื่อว่าเห็นทุกข์ในอริยสัจที่สืบเนื่องกันไปเป็นสายเป็นทุกข์ทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับหมดต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงหมด เพราะฉะนั้นเห็นดังนี้จึงชื่อว่าเห็นทุกเห็นว่าบรรดาข้อธรรมเหล่านี้เป็นสมุทัยของการ น, นกันดังที่ได้แสดงมาแล้วอาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชาอาวิชชาเป็นสมุทัยของอสวะอสวะเป็นสมุทัยของอวิชชาอาวิชชาเป็นสมุทัยของสังขารเป็นต้นลงมาจนถึงชาต เป็นสมูทัยของชรามรณะโสกปริเทวะเป็นต้นเป็นสมูทัยของการในกันเป็นลูกโซ่มาโดยลําดับดังนี้เป็นข้อสมูทยัยและเห็นความดับที่ต้องดับสืบต่อกันมาเป็นสายจากอาวิชชาอาส ว, วะอาสวะอวิชชาลงมา จนถึงดับชาติดับชรามารณะโสกะปริเทวะเป็นต้นนั่นก็เป็นเห็นนิโรธคือความดับทุกข์และเห็นมรรคคือทางปฏิความดับทุกข์คือมรรคมีองค์แปดว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นข้อสำคัญ โดยที่มีมรรคทั้งหมดสนับสนุนคือจะต้องมีทั้งอีกเจ็ดข้อมารวมเป็นมรรคสมังคีความพร้อมเพียงกันขององค์มรรคสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบยังจะมีกำลังแก่กล้ามองเห็นสัจจะคือความจริงในอริยสัจ ทั้งสี่เหล่านี้ที่จำแนกไปโดยลำดับตลอดสายและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้สัมมาญาณนะความอย่างรู้ชอบสัมมาวิบูทความหลุดพ้นชอบในที่สุดท่านพระสารีบุตรได้แสดงธรรมะในปฏิจสมบูบาทนี้ สืบย่ อ, อต่อจากที่ท่านได้แสดงถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคือเห็นชอบในกรรมร้อมทั้งเหตุของกรรมซึ่งท่านได้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็ได้แก่รู้จักอกุศลรู้จักอกุศลละมูล คือโลภะโทะโะะออโสะโมหะรู้จักกุศลรู้จักกุศลมูลคืออโลสาโมหะรู้จักอาหารทั้งสี่อันได้แก่รู้จักว่าอาหารคือคำข้าวซึ่งเป็นของหยาบเป็นอาหารของกายรู้จัก ว่าภัสะเป็นอาหารของเวทนารู้จกักมโนสังเจตนาคือความจงใจว่าเป็นอาหารของกรรมและรู้จักวิญญาณว่าเป็นอาหารของนามรูปดังนี้แล้วท่านจึงแสดงอริยสัจทั้งสี่ ให้รู้จักทุกรู้จักทุกขสมัมบูชายเหตุเกิดทุกรู้จักทุกขในรอดความดับทุกขรู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแล้วจึงขยายออกมาเป็นข้อธรรมในปฏิจสมบตัติโดยแยกเป็นอริสัตตสี 4, ไปทุกๆข้อแต่ว่าข้อธรรมในปฏิจสมบัตินี้ขันพระอานนท์ ได้เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าปรากฏแก่ท่านว่าเหมือนเป็นของง่ายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านพระอนนย์อยากกล่าวเช่นนั้นธรรมะในปฏิยิสมบัติเป็นธรรมะที่ลุมลึกซึ่งเห็นได้ยากรู้ได้ยาก เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจ ท, ทั้งสี่จึงได้แสดงโดยปริยายที่เข้าใจกันง่ายทรงแสดงทุกขสัจจ์สภาพที่จริงคือทุกข์ก็ทรงชี้ให้รู้จักสภาวะทุกข์คือชาติชรามรณะให้รู้จักบากินนักทุกข ก็คือโสก บ, บริเทวะเป็นต้นซึ่งรวบเข้าก็เป็นประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักสรุปลงเป็นหนึ่งก็คือปรารถนาไม่ได้สมหวังและโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นตัวทุกข์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตและ ทรงแสดงทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกทรงขี้เอาตันหาความดิ้นรนทะยันหย่าบทรงแสดงทุกข์ผดโดยความดับทุกข์ก็คือดับตันหาทรงแสดงมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมนองค์แปดดังกล่าวซึ่งเป็นปริยายที่เข้าใจได้ง่ายแต่ในทางระศพันยุติญาณที่ตรัสรู้นั้น ได้ตรัสแสดงไว้มา่าในทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นคือได้ตรัสรู้อย่างละเอียดและเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ยังในพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นนี้ทั้งโดยสมุทัยาวันวาระเกิดนิโรธวันวาระดับ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรแนละตั้งใจทงความสงบสืบ ต, ต่อไปบัดนี้จยากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจ นอบนอบนมัตสการพระภูมิพระภาคอระหันตสมาธรมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจ สำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน ให้บุคคลปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาหรือเรียกว่ากรรมฐานอันแปลว่า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 และก็ได้ตรัสแสดงถึงจิตนี้ว่าดิ้นรนกัดแกงประสับประสายรักษายากห้ามยากแต่ภูมิปัญญา ย่อมกระทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างในช่างสอนทำลูกสอนให้ตรงหรือว่าดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นดังนี้